อาจารย์ครับการนอัิการครับทเรนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสิบสามแล้วนะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขอการครับอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์บิธบอรดคนเยอะไหมครับผมห้ารอยยี่สิบสองโอ้เอ๊ <c oughs> ไมเยอะขึ้นมากครัอาจารย์ <Uncle S 2> hey? มันก็ไม่แน่นอนอ่านทียังไม่เที่ยวครับแล้ว <laughs> นนะแต่วความรู้สึกนลกคิดของแต่ละคนนะเขาพ ร, ร้อมสนลงอมื่อไรครับรก็มาครับห0าร้อยกว่าคนนี้อาจารย์ใช้เวลานานไหมครับอาจารย์ชั่วโมงก็ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงสิบห้านาทีได้อ๋อครับผม <laughs> แล้วคนไปฟังทรรตอนบ่ายเยอะไหมครับอาจารย์ <92. S 2> ครับร้อยเก้าสิบสองไปเก้าสิบสคนครับผม งอมกันครับตอนร้อยยี่สิบกว่างมทั้งทีทำจัดบ้านด้วยครับผมตอนนี้ผมดูคร่าวๆก็พันพันได้ประมาณพันคนแล้วครับอาจารย์ครับที่มาฟังนอฟังพระอาจารย์ครับ อ, อาจารย์ครับเมื่อเช้านี้ไปเห็นคลิปเมื่อสี่ปีที่แล้วของพระอาจารย์ขึ้นมาให้ดูครับพระอาจารย์เทศเรื่องโลกชั่วคราวครับ ก็เลยใช้เป็นชื่อเทศนาในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับกาบขอปัญญาจ<ม>าก <sk r>. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวนั้นขึ้นอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลของเหตุของปัจจัยที่ทาให้มันเกิดขึ้นมา ชิ้นเมฆนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากความร้อนไปแผ่นเผาน้ําในทะเลให้ละเหยขึ้นมากลายเป็ น, มนเมฆเมฆก็พอรวมตัวกันมากขึ้นมันก็ตกลงมาเป็นฝนน้ําฝนก็ไหลกลับไปลงทะเลใหม่ร่างกายของพวกเราก็ทํามาจากนิ้นน้ำนไฟธาตุสี่ถ้าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็แยกตัวกันออกไปร่างกายนี้ก็หายไป มันของชั่วคราวต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนฟอ ง, งน้ำก็ได้ฟองส บ, บู่ก็ได้ฟองส บ, บู่มันมัอนมันอยู่ได้นานไม่ได้นานะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋เดี๋ยวมันก็มันก็แตกหายไปแล้วก็มีฟองใหม่พผล่ขึ้นมาแทนที่นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ผัากันเกิดผัากันดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา เพะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรักไม่เป็นหลงยึดเป็นติดเพราะเวลาเรายึดไปติดแล้วนี่เราจะเกิดความทุกข์มากเสียใจมากแต่ส่วนใหญ่อํานาจของกิเลสมันจะชอบหลอกให้มัน ย, ยึดให้ติดให้หน่ารักให้หนห่วงแล้วพอเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราหวงไปก็เท่าโศกเสียใจแต่ถ้าคนเจริญก็จะมองว่าทุกสิ่งตุกอย่างเป็นของชั่วคราว ในว่งมันก็ต้องในวันสิ้นสุดลงก็พยายามไม่ยึดไม่ติดวิธีที่จะไม่ยึดไม่ติดก็ต้องมไม่ไม่ไม่ต้องไปหวังผลประโยชน์จากมันนะที่ติดกันที่ยึดติดกันก็เพราะยังต้องการผลประโยชน์จากสิ่งที่เรายึดติดอยู่มันต้องการความสุขเวลาได้อยู่คนนี้แล้วมีความสุขก็เลยยึดติดในตัวเขาแต่ในว่าหนึ่งขเขาเวลาเขาจะต้งมีการพัฒนาจากกันนะ เพาการเวลาพรกๆอยากกันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ไว้ต้องน่าฝันว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาไม่ว่าจะเป็นราบยุดถือเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปสิรงกิตลดพลต่พระในรูปแบบต่างๆมันมันเป็นของชั่วข้าวนะเป็นอนิจจังไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปและหมดไปพอมันเปลี่ยนไปั้งหมดไป ความสุขที่เราได้จากมักกะหายไปสิ่งนี้เข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าศกในใจเพรนั้อยไปหวังเพื่อหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นอนิจจังอเนตตาเพราะมันจะเป็นทุกขังถ้าเราไปหวังเพื่อมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราให้เรามาหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าที่เราสามารถเพิ่งง่ายยึดติดได้เพราะมันอยู่กับเราไปตลอด นัน่คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วรักษาให้มันอยู่กับเราไปตลอดเหล่านี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายน่างกายของเราวันหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ความสงบของใจนี่มันก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยถ้าสงบแบบถาวรก็เรียกวันนี้ผ่านถ้าสงบแบบชั่วคราวก็เรียกวิปสสาที่นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเข้าหากัน ถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจไม่อยากจะเครียดกับสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยพันต้องทำใหเราเครียดไม่ช้าก็เร็วพอเรารัคเราก็หวงหวงก็กังวลแล้วพอเรารู้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรารักว่าหวงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าตาได้เรายัางเพึ่งสิ่งต่างๆเนี้อยู่เราก็ยังต้องเจอความเครียดอยู่เรื่อยๆ ถ้ไม่อยากเจอความเครียดก็ทิ้งสิงเหานี้ไปแล้วก็ไปบวชแบบพระพุทธเจ้าสารล้านสะสมบัติพอเห็นว่าร่างกายทุกคนเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลิงเลี้ยได้แล้วสิ่งที่ร่างกายหา ม, มาได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยุดสารเสลดความสมุขยากลุ้งเสียงกินล้วนมันก็หมดไปตามสภาพของร่างกายแต่สิ่งที่มันไม่หมดก็คือ ความสงบที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราเองถ้ามีความสงบแล้วเราสามารถอยู่โดที่ไม่ต้องมีอะไรได้ที่ท่านบอกว่าอยู่กับความว่างได้อเพราะความสงบนี่เป็นความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะลาออกจากสาวยังมีเวลาลาได้นะ <laughs> กับมาอยู่บนบนบนอธรรมดาดีก <finish> ว <praying> ่า <Mor> ม <an> ั้นไม่เคียกับมันทำไมครับต้องใจว่าเราเรายังชอบยังรักยังยังติดมันอยู่เปล่าใชครับก็ก็มีความคิดอยู่ครับอาจารย์แต่มันก็มีกิเลอครับมันยังงมาเียนะทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อนเพื่อนี่ ครับอืมมันก็นแล้วแต่ถ้าอยากจะยอมเจ็บตัวยอมยอมอยากจะเครียดก็อยู่ต่อไปอเพราะโลกของราบยโ ส, สรแสนสุขมันก็เป็นโลกของความทุกข์นี่เองเพราะมันเป็นอนิจจังเป็น น, นาตตามันจะขึ้นเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่นี่เราไม่สามารถที่จะไปกาหนดมันได้แต่เวลามันจะขึ้นก็ขึ้นเวลาขึ้นแล้วก็ดีออกดีใจเรียองฉลองกันใหญ่ พอแล้วมันตกลงมาก็เศร้าโศกเสียใจดูดูพกที่ย้ายออกจากรัฐบาลไปก็ mm hmm. ไม่เห็นฉลองเรียกฉลองแฮปปี้เลยครับ mm hmm. ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวถ้ายังจะอยู่ก็ต้องอย่างน้อยก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมากจนเกินไป mm hmm. ถ้าอยู่เลยแสดงมันต้องติดนะจะติดมากติดน้อยนัย่นเอง ถ้าไม่ติดมันก็ไม่อยู่อยู่ไปทำไมาอกองไฟใครไม่ใครอยากจะอยู่ในกลองไฟนับนขอบคุณพอาจารย์เมตตาครับผมมีความคิดอยู่หลายครั้งเลยครับพอาจารย์ครับแต่ว่าครับอันนี้ก็อย่าเวทอย่าอย่าซีเรียสนะพูดไปเป็นก า, นารภาษาธรรมะ ครับอ <c oughs> าาจย์ส่วนตัวจะคิดยังไงนีก็เป็นสิทธิของคุณหมอเองไม่ได้บังคับง่ายๆอะไรจริงต้อคิดไปในทางหนองพระอาจารย์อะไรครับ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าบางทีมันก็ยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าเหมือนกับเรายังทําอะไรได้อีกนิดหน่อยนิดหน่อยเองี้ยครับอาจารย์ครับอืมใช่ก็ยังก็ยังอยากจะทําต่อ <c oughs> ก็พยายามพยายามชีดวักซีนให้บ่อยๆก็แล้วกันท่ออยู่เรื่อยๆชั่วคราวชั่วกาวอันนี้จังอนัตตาเมื่อเวลามันเกิดเกิดการสิ้นสุดลงแล้วเกิดการแปลปวนเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไม่ไม่เสียหลักไม่ถึงกระเศร้าโศกเสียใจครบใยฟ้าจารย์อิมูไน์ให้ตลอดครับ โอเคชัว่ว<ม>กลางไม่ได้จับเมื่อยังยืนตาวลด้วเป็นของใครไม่มีใครควบคุมครับมนะันได้ครับอบพคุณพระอ า, าจารย์ครับอาจารย์ครับจะขอโอกาสถามคํถาถามจากท่านอื่นบ้างนะครับคุณสมพรครับใส่บาตรเช้าจํานวนมากจํานวนน้อยถือเป็นการทําทานเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เป็นการให้เนี่ยให้อาหาร ก็ถือว่าเป็นการทำทานแล้วผลก็คือบุญก็คือความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาเหตุคือทานผลคือบุญทานคือการเป็นกิริยาเป็นการกระทำแปลว่าให้ผลเกิดขึ้นในใจคือความสุขใจอิ่มใจเรียกว่าบุญแต่บางทีเราก็พูดใช้แทนกันไปทำบุญทำทานไป วันนี้อาจารย์ครับผมอาจจะหาได้ชานิดนึงนะครับวันนี้ดูจักหลายเครื่องครับอาจารย์ครับหลักเรียนถามอาจารย์ผมภาวนาพุทโธเมื่อก่อนเกิดปิติครับแต่พักหลังวันนี้ภาวนาแล้วเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงแล้วติดเศร้าพอรู้ว่าเศร้าไม่ใช่เราแต่ก็ยังติดเศร้าสังเวชสังขารกับจิตที่จะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดครับตอนหลังเป็นทุกข์ครั้งที่ภาวนาครับ ผมหาทางแก้ไขไม่ได้เหมือนการภาวนาจะไม่คืบหน้าไปไหนผมอยากเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับเพราะเราไม่ได้ภาวน า, วาเพื่ใจะหยุดคิดเราภาวนาแล้วปล่อยให้ใจคิดมันก็เลยเกิดอา ก, การทุกขขึ้นมาในใจความทุกข์นี้เกิดจากความคิดของเราและความอยากของเราที่มากกว่าความคิดเพราะเรายังมีความอยากให้สิ่งต่าง จเจริญไม่อยากให้สิ่งตา่างๆเศร้าไม่อยากให้สิ่งตา่างๆจบลงสิ้นสุดลงพอเราไปเห็นหรือไปคิดถึงสิ่งต่างๆมันก็จะทําให้เราเกิดอาการเศร้าขึ้ น, นมาได้อันนี้ไม่ใช่เป็นการทําสมาธิที่ถูกต้องการทำธาราที่ถูกต้องนี้ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่รับรู้เรื่องอื่นเล ย, เลยไม่ ไ, ไปคิดเรื่องอื่นเล ย, เลยถ้าใจเผลอไปคิดก็อย่าตามคิดให้กลับมาที่พุทโธพุ ท, ทโธไปแน่ๆให้อยู่พุทโธอย่างเดียว แล้วต่อไปความคิดก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วลมที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปแลวใจก็จะว่างเยน็นเบาสบายถึงถึงว่ายังไม่รวมมันก็มันก็สบายแล้วถ้าถ้าสติ ด, ดีต่อเนื่องเดี๋ยวก็าอาจจะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้เห็นถ้าถ้านั่งสมาธิแล้วไปคิดนี่แสดงว่าไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิเป็นการนั่งคิด ผลก็เป็นอย่างนี้พอท่านคิดมักนก็เกิดอาการทุกขึ้นมาเพราะกิเลสเราคิดไปในทางกิเลสคิดไปทางเโลภโกรนลงมีคนบอกว่าเครียดกับเรื่องของการเมืองทําอย่างไรครับอาจารย์ครับก่ อ, อย่าไปติดตามหมเลเราไม่ได้ติดตามแล้วสบายใจเราเราเปลี่ยอย่าไปติดตามข่าวทั่กประเทศนี่เลยถึงูสึกเบามโลงสบาย เราจะติดตามไม่ติดตามเขาก็ไปของเขาอยู่อย่างนี้ค่ะคนนั้นออกคนนี้เข้าคนนี้ขึ้นคนนี้ลงแล้วเราก็ไปดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ตา่างๆแล้อทัา ง, งที่เราไม่ได้เลยไ ม, ไ, มไม้แต่บาทเดียวแต่แล้วก็ไปติดมันอนะ่ะเหมือนกับคนติดละครดูหนังดูละครแล้วแม่จติดตามดูแล้วก็ไปดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ตา่างๆ พวกติดติดบอลก็ก็ต้องคอยดูวันโรคติดอะไรกีฬามันก็ต้องคอยดูอย่างนั้นแหละมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเสี่ยงเสพติดอย่างนึงการการติดตามเรื่องการมันก็เป็นการเสพติดอย่างนึงใส่บาททุกวันครับแต่เห็นจิตเฉยเฉยเพราะอะไรครับใส่น้อยไปน้องลองใส่เยอะๆหน่อยครับผม <laughs> ใส่แตให้มันชัเทิงใจดูเลยใส่คนใส่ชุดเดียวไม่พอใส่สักสิบชุดยี่สิบชุดดูนั่นดูเสียเมันจะรู้สึกเฉยๆไหมเราว่าไม่เฉยนะนะถ้าไม่เสียได้ก็ถ้าไม่เสียได้ก็สุขใจสองอย่างถ้ายัางเสียดายอยู่มันก็ไม่สุขแต่ถ้าไม่เสียไดายอินดีเสียสละไปมันก็จะรู้สึกสุขใจเบาใจขึ้นมา จะทำบุญครบรอบหนึ่งปีให้พวกจะร่วงรับครับสามารถจะทำก่อนครบปีได้ไหมครับอาจารย์ทำเวลาไหนกันได้จะบอกเพื่อนๆที่ชมทาง i k ๊ o ต็อ น, นะครับาสามารถจะส่งคำถามมาได้แล้วนะครับบุญที่เราทำในชาตินี้ถ้าเราตายแล้วไปตกในอบายอยากจะถามว่าบุญที่เราทำไว้จะตามไปส่งผลให้เราในอบายไหมครับ คือบุญที่เราทำไว้ี่มันจะยังไม่ส่งผลขึ้นอยู่กับว่าถ้าบาปมันมากกว่าบุญบาปก็ส่งผลก่อนบุญก็ยังอยู่ในใจอยู่รอที่จ ะ, อะรอให้บาปนี้มันน้อยกว่าบุญเมื่อไหร่บุญก็จะส่งผลขึ้นมาทันที วันนี้คุณแม่อายุ88ปีเศร้าใจที่สูญเสียน้องสาวอายุ78ปีจากโรคมะเรง็งจะปลอบใจอย่างไรดีครับถ้าไม่รู้ก็อย่าไปปลอบใจท่านดีกว่อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าท่านถ้าเราไม่รู้ไปพูดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถามคนอื่นมันไม่เหมือนกับรู้รู้กับใจของเราเองนเถ้าไม่รู้วิธีปลอบใจท่านก็ปล่ให้ท่านเศร้าไป ไปซื้ออ๋อครับพะวังหลับกับพะวังที่มีสติต่างกันอย่างไรครับจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าพะวังได้แล้วครับถ้าเข้าพะวังสมาธิมันก็จะรู้สึกรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเข้าพะวังหลับเราก็จะไม่รู้ตัวไม่รู้อาไรเลย ไปซื้อปลาเป็นๆนในตลาดครับแม่ค้าเป็นคนทุบหัวปลาขอดเก็บแล้วสับเป็นชิ้นให้คนซื้ออยากทราบว่าคนซื้อบาบไหมครับถ้าไม่ได้ไปสั่งล่วงหน้าก่อนไม่บาบถ้าไปชี้ตัวว่าต้องการปลาตัวนี้แล้วแม่ค้าก็ทําให้นก็บาบด้วยกันทั้งคู่คนทําก็บาบคนสั่งก็บาบถ้าได้ไปซื้อของที่ตายแล้วก็ไม่บาบบาบก็อยู่ที่คนคนทำคนเดียวคนซื้อไม่บาบ เมื่อนั่งสมาธิจนจิตนิ่งควรต้องเดินปัญญาใช่ไหมครับแล้วจะเดินปัญญาอย่างไรครับไม่ใช่ไม่ใช่การนั่งสมาธิให้จิตนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆให้มันมีพลังนิ่งไว้ให้มากๆเพราะเราต้องการพลังนิ่งไว้ต่อสู้กิเลสเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาพอเกิดความโลภปับถ้าเรามีพลังของความนิ่งอยู่แล้วก็หยุดกิเลสได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราไม่มีพลังนิ่งนี่พอ กิเลสโผขึ้นมาปั๊บก็ต้องทำตามมันเลยเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี่เป็นการมืนกันเป็นการติดติดเบรกให้กับใจเสริมเบรกให้กับใจเสริมผ้าเบรกให้ผ้าเบรกเก่ามันมันมันจะหมดแล้วเราก็เลยต้องใส่ผ้าเบรกใหม่เวลานั่งสมาธินี่เราต้องการให้จิตนั่งนิ่งเป็นนานนิ่งเป็นเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีแล้วมันจะมีกำลังมากมันจะรู้สึกเฉยๆเวลาใครด่า เราเราก็จะไม่โกรธเขาเวลาใครชมเราเราก็จะไม่ดีออกดีใจจะก็เฉยเฉยอันนี้แหละคือผลของการนั่งสมาธิคือเราต้องการให้จิตวางเฉยให้ได้ปล่อยวางให้ได้ใส่บาศเป็นเงินบาศไหมครับอาจารย์ไม่บาศหรอกเองแต่ว่ามันไม่ถูกกฎของพระแล้วเองพระองค์นั่นก็มีกฎว่าเวลาจะถวายเงินทอง น, นี้ต้องฝังให้กับลูกศิษย์ท่าน ท่านพกพางินทองใช้เองไม่ได้เวลาจะต้องการซื้ออะไรก็ต้องให้ลูกศิษย์เป็นผู้จัดการไปหาซื้อมาให้แล้วก็มาให้เก็บรักษาไว้ให้ลูกศิษย์เป็นผู้ดูแลรักษาไว้เวลาอยู่บ้านมีเวลาก็จริงแต่ไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองนั่งสมาธิได้มากแต่ถ้าได้ไปปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สเจ็ดวันก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งวัน แบบนี้ควรไปปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สทุกเดือนครั้งละเจ็ดวันจะดีกว่าไหมครับแน่นอนถ้าเราอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ที่ที่เราปฏิบัติได้ตอนนี้จิตของเรายังอ่อนแอยู่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม เ, เป็นเชื่อตัวกระตุ้นการปฏิบัติของเราถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราจะขี้เกียจเราจะไม่มีอะไรมากระตุ้นแต่ถ้าเราไปเข้าคอร์สนี่เขมีเวลามี มีตารางเตือนกี่โมงนุขึ้นมาทําอะไรบ้างนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเขาจะมีตารางให้เราทําตลอดทั้งวันแล้วมีเพื่อนที่ทําร่วมกันมันก็เลยทําให้เกิดมีมีกําลังที่จะทำขึ้นมาเพราะคนอื่นเขาทาเราไม่ทำก็ยางมันก็จะแปลกอยู่ถึงแม้จะไม่อยากจะทําถึงเวลาคนอื่นเขาทาเราก็ต้องทําตามเข้าไปแต่ต่อไปถ้าเรา มีกำลังในตัวเราเองได้นะรเราสามารถปฏิบัติตามกำแพงได้เราไม่ต้องอาศัยบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมมาคอยผลักดันเราเราก็สามารถปฏิบัติที่ไหนก็ได้คนที่ทางานประจํารับเงินเดือนแต่ทํางานไม่เต็มที่ใช้เวลางานในเรื่องส่วนตัวผิดศีลข้อสองไหมครับก็ผิดครับเาจ้างมาให้เราทํางานให้เขาแล้วเราไปทํางานส่วนตัวแล้วก็ขโมยเวลาของบริษัท การนิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีไหมครับดีถ้าทําได้เสียงเงินน้อยนั่งไปก็นิ่งเฉยไม่เดือดร้อนเนี่ยดีไหมสุยอดเลยไม่กอด <laughs> ใครไม่ใครใครยาวปืนมาจ่อที่ศีรษะก็นิ่งเฉยจะยิงก็ยิงจะตายก็ตายมันดีไหมดีก็่เครียดดีกว่าตกตกใจว่าดภาวะนี่หละคือ จุดที่จิตจะปลอดภัยจากความทุกข์ก็คือตอนที่จิตนิ่งๆเนี่ยที่จิตเป็นอเบคาทำบุญส่งไปให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วหากท่านไปเกิดใหม่แล้วบุญที่ทำส่งไปให้นั้นจะไปไหนครับก็กลับมาที่เราไม่มีใครรับก่ากลับา ม, มาที่เราการดูแลพระอาพาธที่ป่วยอยู่จะได้บุญแบบไหนครับ ก็เท่ากับได้รักษาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบว่ถ้าใครอยากจะบ่วยมีปัญรักรักษาพระพุทธเจ้าก็ไรักษาพระป่วยเพราะพระพุทธเจ้าถือว่าพระชุมลุ่มที่เป็นเหมือนลูกของท่านถ้าไม่มีใครดูแลท่านก็นต้องเป็นผู้ดูแลลูกของนั้นเองเช่นมีมีมีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีพระอยู่รู่นหนึ่งท่านไม่สบายป่วยมีแผลแลอะแผลแผลเป็มไปท้งตัวร่างกายส่ปรก อาายไม่มีท้ารุ่มไหนกล้าเข้าไปช่วยพยาบาลช่วยชำระแผลให้พระเจ้าเดินผ่านมากับพระอนนท์เห็นเข้าก็เลยบอกอนนท์เธอไปหาน้ำร้อนมาไปหาน้ำอุ่นมามาทำชำระความสะอาดแผลของเขาแล้วก็ตัดบอกอนนท์ว่าอนนทถ้าใครอยากจะดูแลเราก็ขอให้ดูแลผ้าป่วย ทานศีลภาวนาขั้นภาวนาได้บุญสูงสุดใช่ไหมครับขอรทราบวิธีการภาวนาจากพระอาจารย์ครับเมื่อภาวนาก็คือการทําจิตให้ยิี่ยจิตจะนงี่ยได้ก็ต้องมีสติกํากับบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเจเราจะชอบอย่างไหนใช้แบบไหนได้ผลก็ใช้แบบนั้นเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็เป็นอารมณ์อย่าง อารมณ์มหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งหรือส่วนมันก็เป็นการบริหารอารมณ์อีกอย่างหนึถ้าเราผูกใจไว้ให้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอะ้รเหล่า น, นี้ใจก็จะสงบได้มีความสุขเกิดขึ้นมาอยากจะเริ่มปฏิบัติธรรมครับแต่ไม่รู้จะเริ่มไปวัดไหนดีเป็นคนขี้งหงิดคิดลบตลอดเวลาเลยครับ ทำที่บ้าน ul mhm. ก่อยก็ได้สมัยที่เราปฏิบัติเริ่มต้นปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านหาหนังสือธรรมะที่ที่ที่สอนวิธีปฏิบัติแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ฝึกปฏิบัติที่บ้านเองไปก็ได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปวัดหรืไปเข้ากับคนนั้นคนนี้ได้เราก็อยู่ที่บ้านของเราปฏิบัติที่บ้านของเราไปก่อยก็ได้ ถ้าลูกไม่ทำบุญครับพ่อแม่ทำแทนลูกจะได้บุญด้วยไหมครับไม่ได้บุญของใครไม่เหมือนบุญของใครของมันเหมือนกับอาหารที่เราที่รับประทานนี่กินแทนกันไม่ได้ควรจะเริ่มพิจารณากายอสุภะผมเล็บฟันหนัง ผมเล็บฟันหนังเมื่อไหร่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่เราครับคุณเริ่มพิจารณาเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับในทุกเวลายองเว้นเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเองที่ไม่ควรที่จะพิจารณาทําสมาธิจากสมถะก้าวเป็นปัญญาโดยพิจารณาร่างกายจนเป็นประจําจะทราบได้อย่างไรครับว่าก้าวหน้ามากขึ้นแล้วครับเราทุกกับร่างกายมากน้อยไง ถ้าทุกข์กับร่างกายแสดงว่าเราก้าวหนะ้าถ้ายังทุกข์กับร่างกายเหมือนเดิมอยู่ก็แสดงว่าไม่ก้าวหนะ้าถ้าคนเรามีเทวดาคุ้มครองแล้วคนชั่วหรือคนดีเทวดาจะชั่วหรือดีตามหรือเปล่าครับในพระสูตเมตตานี่ท่านแสดงไว้ว่าคนที่มีเมตตามักจะมีเทวดาเป็นผู้คุ้มครองรักษา นั่นต้องเป็นคนดีคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นเทวดาก็อยายินดีช่วยคุ้มครองรักษาให้ใส่บาทตามกาลังน่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับก็ดีเ่ะททำเกินกำลังได้ยิ่งดีถ้าอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระเวชสันดอก็ทำเกินกำลังมีอะไรก็ยกให้หมดเลย พยายจะแน่เล้วรคอก็ให้หมดชอบคิดมากครับคิดในด้านลบไม่ชอบตัวเองเลยครับต้องฝึกอย่างไรครับอาจารย์ใช้พุโทโธหยุดมันเวลาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสู้กับความคิดไม่ดีไปเป็ก่อนความคิดไม่ดีหยุดแล้วก็ค่อยหยุดพุดโทโธได้เมื่อพอมันคิดไปล้วก็ต้องพุโทโธใหม่ พิพโธโทรเหมือนกับยางลบที่เราใช้ลบข้อเขียนดังๆที่เราเขียนไว้บนกระดานดําเนี่ยบางทีเก็เล็กไหวบอร์ดเนี่ยีอ น, นอะไรไปปุ๊บเราก็ลบได้เลยถ้าเขียนไม่ดีก็ลบเทิ้งไปให้มันให้มันว่างๆไปพิพธโทนี่เป็นเหมือนอย่างลบลบสิ่งที่เราเขียนบนกระดานได้ แต่ลศาสนาจะช่วยสร้างสันติโลกได้อย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันครับาทุกศาสนาสอนไม่ให้ฆ่าฝันกันไม่มีศาสนาสอนให้ไปฆ่าฝันกันแต่คนที่ปฏิบัติตามศาสนาไ ม, ไ, มไม่ทำตามคำสอนของศาสน า, ส น, า น, นั่งสมาธิทุกวันครับจะส่งบุญให้ลูกถึงไหมครับไม่ถึงเลย บุญใครบุญมันบุญที่นั่งสมาธิต้อนั่งกันเองส่งกันให้ไปไม่ได้ทำอย่างไรให้มีความขยันครับใช้หลักธรรมข้อใดให้มีความขยันก็คิดถึงผลที่เราได้จากการทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปทํางานิ้นเดือนเราก็ไม่ได้เงินเดืนยัคนที้ไปทํางานทุวันนี้กลักวกลัวจะตกงานกันใช่ไหม มันยังไม่มีเงินเดินใช้ต้องคิดผลของของการทําว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะจะไม่ได้อะไรพอเราเห็นผลที่จะตามมามันก็ทําให้เรามีความขยันขึ้นมาเองเวลาที่ปฏิบัติธรรมเหมือนเป็นบุคคลสองคนในตัวเราจะมีวิธีดึงสมาธิได้อย่างไรครับก็เราก็ดึงฝ่ายที่ดีมา ใช้สตินึงมาให้ผูกผูกใจไว้อยู่กับพุโทโธอยู่กับการดูลมหายใจและการสวดมนต์ไปชวนฝ่ายไม่ดีเขาจะไปคิดชั่วคิดร้ายก็อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปตามคําคิดของเขาให้เราอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวฝ่ายไม่ดีมันก็จะจางหายไปได้เวลาสวดมนต์แล้วไอ อมยาอยู่แล้วก็สวดมนต์ในใจได้หรือไม่ครับได้พระอาจารย์ครับด้วยความเคารพบางครั้งรู้สึกหดหูท้อแท้กับทุกสิ่งรอบข้างเบื่อหน่ายว่าทําไมคนโกรธ ถ, ถึงไม่มีใครรู้และเขายังว่าคนเข้าวัดนั่นแหละตัวดีก็เลยว่าเขาไปถึงยังไงคนเข้าวัดก็ไม่เอาของอื่นก็แล้วการทําไมคนเชื่อคนโกหกทําให้เขาได้ใจไม่กลัวบาปเลยครับ ก็เป็นธรรมาชาติของคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนหูเบาไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างรอบครอบก่อนว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานี้ถูกต้องหรือไมไ่ผิดถูกอย่างไรพอฟังแล้วถูกใจก็ ก, ก็ก็ตอบไปเลยแทก็มีปฏิกิริยาไปเลยพระเจ้าสอนในกางธรร ม, มสวดว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรจากใครก็ตามให้ให้พิพสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วค่อยเชื่อ เพื่อนร่วมงานเอาเรื่องที่ไม่จริงไปนินทาทําให้คนอื่นเข้าใจเราผิดเราต้องทําใจอย่างไรครับแล้วเป็นบาปไหมครับ้็เราไม่ผิดอย่งนั้วเราต้องทําใจเลยถ้ามันไม่ได้เป็นความจริงเราก็เฉยๆไปเราห้ามคนพูดพูดผิดไม่ได้เขาจะพูดผิดพูดถูกให้เราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราผิดขเขาแล้วแล้วก็พูดว่าเราถูกเราจะเราจะถูกตามที่เขาพูดหรือเปล่ามันก็ไม่ถูกอยู่ดีนั่นอย่าไปสนใจกับคําพูดของคนอื่น สนใจกับความจริงที่เป็นเป็นเป็นอยู่กับตัวเราเราดีแล้วไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็ควรจะแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าดีเราก็รักษาความดีไว้ต่อไปก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปสนใจกับคาพูดของคนเลยเพราะเราห้ามปากคนไม่ได้จิตฟุ้งซ่านจะแก้ไขอยังไรครับอาจารย์ก็ใช้สติยับยัง้งใช้คบริกีรมพูดโทรพูดโท อย่าปล่อยให้คิดให้อยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความคิดก็จะหายไปความพุดงส่างก็จะหมดไปคุณแม่อายุเก้าสิบเจ็ดแล้วครับช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาไม่สบายแต่หมอรักษาหายแล้วแต่แม่กินได้น้อยไม่อยากอาหารเอาแต่นอนแบบนี้เราต้องทำจิตอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ครับก็อยอมรับสภาว่าร่างกายมันเริ่มเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลง สมรรถภาพในการกระทํงางต่างๆมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามตามตามอายุขไขเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่งสมาธินานๆตัวชาแข็งแบบนี้ผิดทางหรือเปล่าครับไม่ผิดอถ้าตัด ใ, ใจใจเรานิ่งใจเราสงบ ความสุขจากการสงบของใจเกิดได้จากการทําสมาธิเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องการทําสมาธิโดยกําหนดลมหายใจเข้าออกด้วยอาณาปานาสติแต่ยังติดเพ่งที่ลมหายใจทําอย่างไรถึงจะไม่ติดเพ่งครับก็ต้องเพ่งสิเวลานั้นทำทใช้อาณาปานาสติก็ต้องเพ่งดูลมหายใจออก็ ทำไม่เพ่งเหนียวใจก็ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ว่าถ้าเราปฏิบัติภาวนาแล้วจะบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีคือเราต้องปฏิบัติทุกวันใช่ไหมครับใช่ต้องไปบวชเป็นพระ <c oughs> แล้วก็ไม่ทำอะไรนะที่ที่ที่ ท, ที่ที่กล่าววันนี้เป็นเป็นการเทศนาของพระพุทธเจ้าต่อพระพระเพ็กสุท่านพวกเธอ ปฏบัติตามที่ทรงสอนไว้ภยใเจ็ดวันแล้เจ็ดเดือน้อวเจ็ปีอย่าต้องมนรลย์ทํมอย่างแน่นอนคุณแม่ดูแลคุณพ่อที่ป่วยบางทีเครียดก็ขี้โมโหเราจะช่วยบอกท่าในให้ทำใจไม่ขี้โกรธได้อย่างไรครับไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ต้องทำอะไรการนั่งสมาธิเราควรนั่งนานขนาดไหนครับ ให้นานที่สุเท่าที่จะนานได้ยิ่งงานได้ยิ่งดีเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ถ้าชาร์จมันไปเรื่อยๆจำ ก, กัดมันจะเต็มถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วขอพรพระให้คุ้มครองลูกๆได้ไหมครับขอได้แต่ไม่ได้ไม่ได้ตามที่ขอไม่มีใครห้เราไม่ขอแต่ขอแล้วไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจัน ความปลอดภัยแลวความไม่ปลอดภัยนี่มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์อนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยได้การนําผลประโยชน์ชาติไปแลกเพ่ให้เกิดประโยชน์แห่งตนเป็นบาปมากน้อยเพียงใดแล้วจะได้รับผลกรรมใดครับก็ของคนอื่นไปให้แก่ประโยชน์กับตัวเองก็ถือว่าขาโมยนะ อาทัพย์ของผู้อื่นไปเอาประโยชน์ของผู้อื่นไปให้เอามาให้กับตนเองอ่านพระไตรปิฎกให้คุณแม่ฟังทุกคืนครับอย่างนี้ได้บุญไหมครับใครคนอ่านแล้วคนฟังมันก็คนอ่านก็ได้เป็นการให้ธรรมะนะเป็นการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งบ่วงคนฟังแล้วฟังแล้วจิตสงบก็ได้บุญเหมือนกัน ได้ฟังแล้วได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาก็ได้บุญเหมือนกันตอนนี้สามีเสียชีวิตไปร้อยวันแล้วครับร้องไห้ทุกวันเลยครับจะต้องทํายังไงถึงจะดีขึ้นครับอย่าไปคิดถึงเขาเลยทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็พยายามใช้พุโทโธลบมันออกไปจากใจตอนนี้คิดถึงเขาไม่ได้เพราคิดแล้วมันเศร้า แต่ต่อไปเมื่อใจเราหายเศร้านั้นเราไปจะคิดถึงเขาแล้วมันรู้สึกอะไรเราค่อยคิดถึงเขาในตอนนั้นเป็นเหมือนแผลถ้าตอนนี้มีเป็นแผลอยู่ถ้าเราไปแตะต้องแผลมันก็จะเจ็บเราต้องรอให้แผลหายก่อนพอหายหายแล้วเราไปแตะต้องที่จุด น, นั้นมันก็มันก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปให้ให้แผลในใจหายไปก่อนเรือความเศร้าใจต่อไปแล้คิดถึงเขาได้ แต่ตอนนีไม่คนคิดคิดนักเศร้าก็อย่าไปคิดดีกว่าลูกให้เงินเดือนครับแม่เอาไปทําบุญอย่างนี้ลูกจะได้บุญด้วยไหมครับลูกได้บุญจากการให้เงินเดือนแม่แล้วแม่ก็ได้บุญจากการไปทําบุญของแม่คนละคนละฝ่ายคนละส่วนกันแต่ถ้าลูกให้เงินแล้วบอกแม่ว่าแม่เอาไปทําบุญเนี้ยอันนี้แม่จะไม่ได้บุญ ่อมาทำตามคำสั่งของเราเราจะได้บุญคนเดียวยึดถือความสงบเป็นที่ตั้งก่อนบวชอยากทราบว่าพระอาจารย์ปฏิบัติไปแล้วมีความสนใจเรื่องการระลึกชาติอ่านจิตคนเหาะหายตัวบ้างไมครับเคยอ่านบทกุบาจารย์เลยสงสัยครับอ๋อไม่สนใจเลยเพราะรู้ว่าเป็นเรื่อ ง, นนองไม่มีประโยชน์ต่อการคำจัดความชุมกขต่างๆให้หมดไปจากใจ เป็นย่านะครับอยากจะบวชหลานแต่ว่าไม่มีเงินก็เลยให้พี่สาวบวชให้อย่างนี้เราได้บุญไหมครับถ้าเป็นเงินของพี่สาวพี่สาวก็ได้บุญถ้าไม่ใช่เงินของเราถ้าถ้าเป็นเงินของเราเราถึงจะได้บุญคุณพ่อป่วยครับแขนขาอ่อนแรงบ่นว่าท้อแท้น้อยใจชีวิตขอธรรมะจากพระอาจารย์ด้วยครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมน้ำนะมันก็ไม่ทอแท้ที่เราทอแท้เพราะเราอยากจะให้มันแข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงแล้วก็เลยเกิดอาการทอรแท้ขึ้นมาเราต้องยอมรับสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าร่างกายมันจะต้องอ่อนอ่อนลงไปเรื่อยๆอ่อนลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่สามารถทํางานได้แม้แต่หายใจมันยังหายใจไม่ได้ต่อไป อันนี้คอมเมนต์ครับอาจารย์บอกว่าเทศวันหยุดจบแล้วอาจารย์นํานั่งสมาธิชอบมากเลยนะครับอดีได้ได้ทั้งสองอย่างได้ได้ได้ปัญญาจากการฟังธรรมแล้วก็ได้สมาธิจากการนั่งสมาธิแล้วก็ได้แล้วก็ได้พักไปยในตัวด้วยไม่ต้องเหนื่อยมากเมื่อไหร่ที่ดูลมหายใจแล้วจะเผลอ บ, บังคับลมหายใจให้เข้าออกอยู่ตลอดต้องแก้อย่างไรครับไม่ทราบไปบังคับมันทำไมก็ดูเฉยๆไปถ้าบังคับถ้ามีปัญหาเรื่องบังคับลมก็อย่าไปใช้ลมเป็นเป็นอารมณ์ใช้คำบิกรรมพุโทโธแทนไปปัจจุบันนี้ยังมีภาระทางโลกหากหมดภาระแล้วอยากพ้นจากกองทุก คารวะผู้หญิงสูงวัยควรเลือกแนวทางอย่างไรครับก็แล้วแต่เราเราต้องไปศึกษาดูอย่างวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดที่เราที่เราจะไปบวญไปอยู่เพราะเราจะได้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกับวัดที่เราไปปฏิบัติการทำบุญใส่บาตรกับการนั่งสมาธิอะไรได้บุญมากกว่ากันครับบุญได้ จากการนั่งสมาธิมากกว่าบุญใจบาตแต่ยากกว่าบุญใจบาตรมันง่ายกว่าได้ปุ๊บเลยใส่ละใสยข้าวทัพพีเดียวก็ได้บุญแล้วแต่นั่งสมาธิบางทีนั่งเป็นสิบชั่วโมงก็ยังไม่สง บ, บก็ยังไม่ได้บุญเวลาวิปัสสนาควรจะรู้แค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางหรือว่าควรจะรู้ธาตุรูไปด้วยครับ คือมันมีหลายเรื่องที่เราต้องรู้เบื้องต้นให้สอนให้เรารู้เรื่องภายในอกตัวเราก่อนเช่นลาบยศสรเสื่อมเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่อยากไปยุ่งกับมันถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องตัดเรื่องโลกก็ทําให้ได้ก่อนเมื่อตัดโลกกระทาได้แล้วเราก็มาตัดส่วนที่ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือร่างกายของเราแล้วก็เราพิจารณาร่างกายก็เป็นอนิจจงทุกขังแน้วต่างเหมือนกัน ก็ควบกับการวิจารณาวินาราความรู้สึกมันก็อนิจจังทุกข์อนัตตาเพอเราผ่านด่านสองด่านนี้ได้แล้วมันก็จะเข้าเป็นด่านที่สามก็คือจิตจิตเราก็เป็นอนิจจังทุกข์อนัตตาพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันที่ตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับ ว, ว่ามันเป็นอนิจจังอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามความอยากของเราเราก็เปทุกข์ขึ้นมา ลูกสาวหกขวบครับสวดมนต์เก่งมากเพอตอนหลังไม่ได้สวดไปพักใหญ่พอกลับมาสวดมนต์ใหม่แล้วร้องไห้ครับจะต้องทำอย่างไรดีครับกระทำเพราะว่าร้องไห้ทำไมต้มองหาสาเหตุก่อน ย, ยิ่งทำสติปัฏฐานสี่ยิ่งนอนน้อยลงเกี่ยวไหมครับพอทำทั้งวันแล้วรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นจากที่นอนแปดเหลือนอนหกตื่นมาก็ยังสดชื่นครับ ก็สแสดงว่าจิตเราไมสติมากขึ้นมันก็เลยทำให้ความร่วงนอนมันลดน้อยถอยลงไปได้ถูกเพื่อนร่วมงานข่มเหงเอาเปรียบแต่เราไม่โตตอบเรียกขันติบา ร, รมีไหมครับแล้วเขาจะมีผลกรรมติดตัวไปไหมครับต่อไปเขาอาจจะถทกคนหน่นมารังแกเหมือนกับที่เขารังแกรเรา เราจะทําอย่างไรครับไม่ให้จิตปรุงแต่งตลอดเวลาวิตกจริตครับก็รบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเหมือนตามขึ้นมากับพุโทโธพุโทโธไม่ว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่ก็พุโทโธไปยกเว้นว่า ง, งานที่เราทําต้องใช้ความคิดแล้วก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็ทํางานแล้วให้เสร็จพอไม่ต้องคิดแล้วเรากลับมาที่พุโทโธเล การรักคนมีเจ้าของเป็นบาปไหมครับมีทำบทใดช่วยได้ครับก็เป็นทุกข์อะเราไปรักของที่ไม่ได้เป็นของของเรามันก็ไม่ได้ของที่เรารักนั่นก็อย่าไปรักของที่ไม่ใช่ของเราให้รักที่เป็นของของเราเราก็จะได้มนความสุขถ้ามีคนอยากบวชแต่เขาไม่มีเงิน ถ้าเราอาสาจัดงานบวชให้แล้วบวชไปได้เจ็ดวันแล้วเขาสึกออกแบบนี้เราได้บุญไหมครับแล้วก็ได้บุญช่วยเขาบวชได้แต่คนที่บวชเขาก็ได้บุญแค่เจ็ดวันจากการบวชคนที่มีแฟนอยู่แล้วมาหลอกลวงเราจะได้รับผลกรรมอะไรไหมครับก็จะก็ทำอะไรไว้ก็ย่อมถูกถูกทำกลับไง เราลงคนหนึ่งต่อไปก็จะรับเถอะเข้ามาหลอกลงแล้วการบริจาคโลหิตเป็นประจำได้บุญเป็นทานบารมีใช่ไหมครับใช่เลี้ยงแมวจรไว้ตัวหนึ่งครับต่อมามันออกลูกเมื่อลูกแมวโตขึ้นให้คนเอาไปเลี้ยงอยากจะทราบว่าเป็นการพรากลูกพรากแม่หรือเปล่าครับและอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่หรอกเพราะว่าเราหาคนเลี้ยงดู่ เนี่เขายัางก็ต้องพากอยู่แต่เขาพากอย่างมีความสุขนึกว่พาพากอย่างยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นต้ น, นถ้าตัวเรารู้สึกไม่มีทุกข์ร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์ใช้สบายญาติเพื่อนฝูงดีโลกนี้สดใสน่าอยู่ไม่คิดจะพ้นทุกข์ผิดหรือไม่ครับก็ยังไม่เจอทุกข์ยังไม่เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย ถ้าขายสินค้าตัวหนึ่งอยู่แล้วร้านตรงข้ามมาขายตามเราแล้วเราทุกใจอย่างนี้ถือว่าเขาเบียดเบียนเราไหมครับไม่หรอกเราเบียดเบียนตัวเราเองเราไปทุกใจเราไม่อยอมรับความจริงว่าโลกนี้เป็นโลกที่เราก็คุมบังคับไม่ได้เราต้องขายคนเดียวคนเดินขายตามเราไม่ได้การบริจาคโลหิตเป็นประจำได้บุญเป็นทานบา ร, รมีใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปแล้วเมื่อทนี้ บริการพุโทโธพร้อมนับจํานวนได้ไหมครับอาจารย์ได้ถือศีลอุโบสถทุกวันพระแต่กลับมานอนบ้านตอนนุ่งขาวห่มขาวจนครบหนึ่งวันหนึ่งคืนได้ไหมครับอย่างไงก็ไม่ใช่เป็นศีลอุโบสถเป็นศีลแปดธรรมดาก็เหมือนกันศีลอุโบสถกับศีลแปดมันก็ศีลแปดเหมือนกันเพียงแต่ว่าอุโบสถนีให้ไปอยู่ในโบสถ์ ให้ไปปฏิบัติธรรมในโบสถ์ให้ไปนอนในโบสถ์1วันกับหนึ่งคืนการปฏิบัติธรรมคือการฝึกควบคุมความคิดใช่ไหมครับการพัฒนาจิตใจการชำระจิตใจชำระกิเลสที่มีในใจให้หมดสิ้นไปกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไป ทำงานบ้านแทนแม่เพื่อให้แม่ภูมิใจยอย่างนี้เป็นบุญไหมครับเป็นเมื่อเราทําบุญแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรด้วยเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีจะทําให้เราได้รับบุญนั้นน้อยลงหรือไม่ครับน้านงถ้าเราไปทําน้อยอย่างนัเราไปขอขอรับเกินสิบสิบบาทแล้วก็เท่ากัาบทับเก้าสิบบาทบุญนี่เราทําว้จากจากร้อยก็ลดมาเก้าสิบบาท ใช้ชีวิตการทํางานกับคนที่เสแสร้งและชอบเอาหน้าเอาดีเข้าตัวครับใช่ครัต้องทํำยังไงครับอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนในโลกมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเราไม่สามารถไปกําหนดให้เหมือนกันได้ทุกคนเหมือนกันนิ้วของเราเนี่ยนิ้วของเรามีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมอ่านิ้วนี้มันเท่ากันไหมนิ้วสั้นบางนิ้ว ด้วยยาวบางนี้ผอมบ้างนี้อ้วนบ้างคนก็เป็นลักษณะนี้คนคนที่เสียซ่างกับมีคนนี้ไม่เสียซ่างก็บมีคนที่ชอบหน้าก็มีไม่ชอาหน้าก็มีแล้วแต่เราจะไปเจอใครแบบไหนก็นยอมรับสภาพาความเป็นจริงของเขาเราก็จะไม่ทุกอย่าไปปีอย่าไปอยากเปลี่ยนเขาเหมือนกับเราเจอผลไม้เจอกล้วยอย่าไปอยากเปลี่ยนให้มันเป็นส้มเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุก เราจะมีวิธีลดอัตราตัวตนอย่างไรได้ครับทำตัวเราให้เป็นเหมือนคนรับใช้คิดว่าเราเป็นคนรับใช้ผู้หน่งเจอใครในเช้าเขาเป็นเจ้านายเรามีครอบครัวอยู่ต่างประเทศครับไม่สามารถดูแลคุณพ่อได้รู้สึกเหมือนไม่ได้ทดแทนคุณท่านอย่างนี้ถือว่าเป็นบาปไหมครับเราสามารถสฉมเงินมาให้คนหนึ่นเขาช่วยดูแลแทนเราก็ได้ถ้าเราไม่ทํา ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็มันก็ไม่ได้ทดแทนบุญคุณด้านแต่ถ้าเราอยากจะทดแทนบุญคุณเราก็ส่งเงินมาให้ท่านใช้ก็ได้ท่านขาดแค่อะไรท่านก็ใช้เงินของเราให้ไปซื้อมาช่วงนั่งสมาธิเส้นจะตึงที่ช่วงต้นคอจะมีวิธีแก้อย่างไรครับอย่าไปสนใจมันเป็นกิเลสสร้างขึ้นมาเองเวลานั่งอยูหนังนั่งทั้งวันนั่งคืนไม่มีรู้สึกว่า มันจะแข็งที่เต็มที่คอเลยบุปการีเป็นคนโมโหง่ายคนเป็นลูกสอนให้เขาเป็นคนใจเย็นลงจะบาปไหมครับในหลายๆเรื่องด้วยครับไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปสั่งสอนผู้ใหญ่นอกจากว่าท่านเขานอกให้เราบอกว่าท่านไม่ถูกยังไงผิดผิดถูกยังไงเราก็บอกได้แต่ถ้าอยู่ดีๆไม่ควรไปสั่งสอนพ่อแม่ท่านรู้ดีรู้ชั่วมากกว่าเรา หน่วยงานแห่งหนึ่งรับเงินจากผู้รับเหมาเพื่อให้ได้งานหัวหน้านงานนําเงินมาแจกพนักงานควรรับหรือไม่เพราะเงินนั้นไม่เว้สุดน่าจะเป็นบาปครับก็คือใช่ว่าถ้าเราไม่รับได้หรือเปล่าเราต้องถามคนที่จ่ายก็รับถ้าจะไม่รับได้หรือเปล่าถ้าก็ไม่ได้ต้องรับกเราก็ต้องตัดสินใจถ้าเราไม่รับเราก็คงจะอยู่เขาไม่ได้เราก็ต้องย้ายที่อยู่ท้ยายที่ทํา ง, งานพออยู่แล้วไม่ไม่ทํา ทำตามกันมันก็จะเป็นการขัดกันแล้วก็จะทําให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันได้ศีลไม่เสมอกันกราอยู่กับพวกที่ศีลเสมอกันพวกโกงก็ได้อยู่กับพวกโกงพวกไม่โกงก็ต้อก็ต้องมีอยู่กับพวกไม่โกงเหมือนกับน้ํากับน้ํามัน่ะคุณหมอเกย่าน้ํากับน้ํามันใส่ไปในวนเดียวกันไหมถ้าเราเขย่าดูเลยอยากให้มันรวมกันมันไม่รวม อย่าปั๊บสักพักเดี๋ยวน้ำมก็แยกออกไปนไ้น้ำมันมันก็แยกไปอีกทางมันอยู่ร่วมกันไม่ได้คนดีกับคนไม่ดีก็เหมือนกันอยู่นี้อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วคนที่เขาไปรับแล้วเขาบากไหมครับอาจารย์ถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวคนที่เป็นคนไปถ้าเราไม่มีส่วนเดียวเข้าเนาไ ม, ม, นนไ ม, ไม่ไม่บากเพราะเหมือนกับคนเข้าเอาของมาให้เราเหมือนคนเอาไปซื้ออาหาร แล้วใส่บาปผ้าอย่างนี้พ้าไม่บาปพ้าไม่รู้เรื่องไม่มีก่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงินของเราเพราบางทีก็เห็นมีคนเอาเงินมาแจกครับอาจารย์รับได้ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้มีส่วนที่ไปไ ป, ไปบอกให้เขาไปถ้าเราไปบอกว่าขาต้องหน้าพี่ช่วยไปหาเงินมาให้ผมหน่อยย่เี้แล้วเขาก็ไปขโมยเงินมาให้เราอย่างนี้เราก็ม่มีส่วน ถ้ า, าอยู่เฉยๆ ด, ๆดีๆเขอยากจะทำมูลอแล้วแจ่งกันให้กับเราแล้วก็รับได้คนที่ไปสาบานต่อพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วผิดคําสาบานเรื่องนี้จริงไหมครับถ้าผิดคําสาบานถ้ามันพูดผิดมันก็มันก็โกหกไปโ ก, โกหกของ พ, พ, พุทธลูกเท่นั้นเองเพียงแต่เขาท่าูกทำไมรู้เรื่องนะเนี่ยมันเป็น เปนการเป็นการแสดงแข็งความไม่จริงใจความไม่มีสัจจะในตัวเราซึ่งผู้ที่จะเสียหายก็คือตัวเราเองเราเป็นคนฟินป้อนแม้กระทั่งพระพระพุทธลูกยังหลอกได้เลยแล้วเราแล้วอะไรที่เราจะหลอกไม่ได้ขนาด พ, พุทธล่กเรายังหลอกได้แล้วก็พ่อกับแม่กับคนที่เขามีพระคุณกับ เ, เราเราหลอกได้หมดถ้าเราต้องการผลประโยชน์ ถ้าชีวิตส่วนมากรักษาศีลได้แค่สี่ข้อเพราะศีลข้อสุดท้ายรักษาไม่ได้เพราะเย็นมาต้องกินแต่กินไม่มากครับกินเสร็จแล้วก็นอนตกนรกไหมครับไม่จํารอกให้ายกันครับอาจารย์ในนี้รักษาศีลแปดครับแต่ขาดไปหนึ่งข้ออย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้เจ็ดได้ศีลเจ็ดถ้าทาข้อสอบก็ได้ได้เจ็ดทัแปดได้คะแนนเจดทับแป กอไม่เต็มแปดได้เจ็ดเรามีนักการเมืองโกงกินขายชาติถ้าเราไม่อยากทุกข์กับเรื่องนี้ต้องคิดว่ามันเป็นอนัตตาถูกไหมครับใช่เชื่อไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของโลกเรื่องของสภาวธรรม พระอาจารย์เคยบอกว่าทําดีเราจะได้ดีแล้วคนที่ทําสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะกับประเทศชาติเขาย่อมได้รับผลกรรมนั้นไม่ครับคือดีนี่ไม่ไม่ได้หมายถึงดีเราจะได้รับผลคือได้ได้รับยุติสารเสริญสุขทําดีได้ดีนี่มถึงทําให้จิตใจเราดีจิตใจเรามีความสุขมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายหรือของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากการทําความดีด้วยการจากการทำความเชื่อ ทำดีก็จิตใจเราก็จะดีทําชัว่วจิตใจเราก็ไม่ดีถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆจะสามารถรักษาโรคแพนิค ก, กลัวตายหายไหมครับหายจยไมไกลัวใ จ, จิตจะเนื่งเฉยจะจะสั์แต่ว่าเราจะมีอุเบกขา เจอแมวที่บาดเจ็บอยู่ครับเราไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแมวไม่ได้บุนถ้าทําหมันสัตว์ไม่บาปเราวางยาสลบแอบจับคนติดยาคนอตาพานไปทําหมันเขาไม่รู้ตัวจะไม่บาปเหมือนกันไหมครับทั้คนที่ก้าเขามีสิทธิ์ในตัวของเขาถ้าเราเป็นขเขาเราจะเราจะยินยอมให้เขาไดคเข้ามาทำอย่างนี้กับเราหรือไม ไปบังคับกันโดยที่เขาไม่ยินยอมนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นการไปทําให้เขาเสียหายเดิมน่อนมีการเบียดเบียนกันก็เรียกว่าเป็นการทําบาลลูกจองบ้านที่เขาชี้โอนได้ครั้งแรกครับจะกล่บบาวคำนั้นเมตตาแนะนําจากพระอาจารย์ครับไปเพื่อปฏิบัติสตินั่งสมาธิเจลิญปัญญาสลับกันไป แล้วแต่โอกาสแน้วแต่าแวาะเวลานั่งสมาธิก็ใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวตา่างๆเวลาออกจากสมาธิมนาะถ้าอยากจะคิดทางปัญญาก็คิดคิดแต่ทางตายรับพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรับไปหมดการปฏิบัติเจริญสมาธิ ส, สามารถนอนนั่งได้ทุกสถานที่เช่นเข้าห้องน้ําห้องทํางานได้หรือไม่ครับคือการนั่งสมาธินี้ น่างกายต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆจิตถึงจะเข้าสมาธิได้ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวนี้จิตจะไม่เข้าสมาธิจะได้อย่างมากก็คือได้ได้สติเช่นเดินจงกรมนี้เราจะได้สตินรืเราจะมีสติคอยควบคุมความคิดแต่จิตยังไม่นิ่งเต็มร้อยจิตอาจจะเบาจากความคิดลงไปถ้าอยากอยากจะให้จิตนิ่งสง บ, บ, บเต็มร้อยนี่เราต้องนั่งเฉยๆเราใช้สติควบคุมความคิดจิงๆ พอนยุดความคิดได้ปั๊บจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้ทำงานกับคนที่ชอบเสแสร้งเอาแต่ดีเข้าตัวสร้างเครดิตให้ตัวเขาเองและขโมยความคิดคนอื่นเป็นของตนเองเกิดข้อผิดพลาดไม่กล้ารับผิดไม่พูดข้อเท็จจริงเก็บงำองค์กรยังรักษาคนแบบนี้ไว้เราควรต้องวางตัววางจิตยังไงครับก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องขององค์กร นั่งสมาธิพร้อมกับฟังเสียงพระอาจารย์สอนไปด้วยรู้สึกจิต ด, ดิ่งนิ่งมากแต่ยังรู้สึกตัวตลอดพอจะออกจากสมาธิดึงจิตกลับรู้สึกยาวนานกว่าจะออกได้ขอความกรุณาพระอาจารย์แนะนำด้วยครับก็ไม่เป็นไรก็รู้ตามความเป็นจริงไปจิตเวลาสงบบางครัง้งก็จะต้องใช้เวลาสักน้อยๆให้จิตรั่งคิดปูดแต่งขึ้นมานั่งสั่งการไปที่ร่างกาย เราควรต้องอาราธนาศีลทุกวันไหมครับไม่ต้องหรอกถ้าเราจะรักษาศีลเราก็รักษาไปเรื่อยๆหลัจากเราเลิกรักษาศีลเนี่ยเราจะทํามารักษาใหม่เราก็ต้องอาราธนาใหม่นั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดขาขาสั่นกระตุกควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับไม่ต้องไปสนใจนั่งต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพูดโธ้ก็พูดโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกาย ผมภาวนาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแต่สับ ป, ประงกกเหมือนง่วงตลอดจะ แ, แก้ไขยังไงก็<ะ>ต้องรุก้นมาเดินแทนเดินจงกรมแทนเดินพุโทโธพุธโทโธไปแทนแทนนี่จะนั่งพุโทโธก็เดินพุโทโธไปการที่เราได้รับวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพเป็นเพราะเราเคยผิดศีลข้อหนึ่งใช่ไหมครับแล้วจะมีวิธีใดช่วยพ่อหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างครับ คือมันร่างกายของเราเนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบาปการรมที่เราทําเพียงอย่างเดียวพฤติกรรมที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้ร่างกายสุขภาพของเราดีและไม่ดีได้แตเรื่องการทําบาปในอดีตชาติก็มีผลด้วยเ้าต้องศึกษาดูวิธีการรักษาสุขภาพร่างกายให้เราดีต้องศึกษาถามแพทย์อยู่ถามคุณหมอดูว่าถ้าอยากจะมีสุขภาพดีเท่าที่เคยอ่านหมอเขาบอกมีห้าห้าอใช่ไหมให้มีอาหารดี อากาศดีอารมณ์ดีเอากำลังกายแล้วก็อุจจาระดีถ้ามีห้าออย่างนี้ก็จะสามารถรักษาร่างกายให้มีสุขภาพดีได้แต่ถ้ายังไม่ดีก็อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่เราทำมาในอดีตมันทำให้เราไม่สบายได้วางใจอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์เมื่อคนในครอบครัวป่วยครับก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเธอเป็นเรื่องธรรมดา ไ ม, มรร ไ, ไม่มีใครีเลี่งได้ไม่มีใครไม่ไม่ไม่ป่วยได้ต้องป่วยด้วยกันทุกคนโรกนี้เป็นของปลอมทั้งหมดพูดอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์มีของเชื่อคราวมันของจริงเนี่ยมันจริงแบบไม่นานไงยิางแล้นเดี๋ยวมันก็หมดไปการทาบุญทำทานในแต่ละครั้งต้องวางจิตอย่างไรครับถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดครับ ตปล่อยของที่เราให้ไปแม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นของของเราแล้วพอเราให้ไปปั๊บนี่เราเราเราไม่ต้องติดตามไปดูว่าเขาไปทําอะไรให้ใครหนึกฝาลใช้เองรือฝาลอย่าไปทําอย่างนั้นถ้าทําอย่างนี้สแสดงว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเรายังหวงอยู่เป็นคนไม่โกรธไม่เกลียดใครง่ายๆจนเขามองว่าเราใจดีเกินไปอย่างนี้เป็นไรไหมครับก็ดีสแสดงว่าเรามีความเมตตา ม, มาก ถ้าไม่มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลอยู่บ้านทําบุญเมื่อตายไปจะมีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ไม่ต้องเกิดอีกได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราได้ผลไได้ได้ผลจากการปฏิบัติเนี่ยได้ผลก็ต้องไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้ายังไม่ได้ผลก็ยังยังไปไม่ได้ นั่งสมาธิหลับตาแล้วฟุ้งซ่านเราใช้วิธีลืมตา ม, มองที่พวกทีรูปได้ไหมครับความฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดจากการลืมตาและหลับตาความฟุ้งซ่านเกิดจากการไม่มีสติคอยควบคุมความคิดเรนต้องใช้สติมคาคอยกํากับควบคุมความคิดไว้เช้ใ น, นบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเปิดตานั้นปิดตาก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่เกี่ยวกันพระสงฆ์ ทะเลาะแบ่งฝัก ฝ, ากฝาก่ายคารวะก็แบ่งตามไปด้วยถือว่าผิดธรรมวินัยไหมครับก็ไม่ควรทะเละาะวินัยกันทำวินัยให้เรารักสามัคคีกันให้ความเมตตาต่อกันอยู่ตัวคนเดียวครับไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอย่างนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปครับก็อยู่ที่ว่าเราส่งหรือทุกถ้าส่งก็เป็นบุญถ้าทุกก็เป็นบา ไปจุด er ทูกขอเลขเท้าปู่ท้าเวสวร์มาครับได้ศูนย์หกตรงๆเต็มเต็มแสดงว่าปู่ไม่ตาใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันในนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไดอาจจะมีหลายสาเหตุก็ได้อาจจะเป็นจังหวะที่มันจะถูกมันก็ถูกคุณแม่ดูแลคุณพ่อที่ป่วยเครียดแล้วจึงทำให้ขี้โมโหเราจะช่วยบอกคุณแม่ไม่ให้โมโหอย่างไรครับ <c oughs> เมื่อกี้อาจานย์มาครั้งหนึ่งว่ถ้าเราไม่ไม่าไม่บอกนะอยู่เฉยๆไปเป็นคนนอนหลับยากนะครับได้เปิดบทสวดมนต์ฟังเกือบทุกคืนทาให้หลับได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่คิดไงเพราะเราฟังบทสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่อนั้นเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราหลับง่ายเย่เราที่เราหลับยากเพราะเราคิดมากเลยนอนไม่หลับ คุณยายอายุเก้าสิบแปดครับมีความจําดีสติดีตอนกลางคืนมักบ่นว่ามีผีมาหามาเหาะตีแขนจะเป็นความจริงไหมหรือยายคิดไปเองครับมันก็เป็นความคิดชอคนเรามากกว่าผีจริงไม่หรอกผีหลอกไม่จริงการระลึกมีสติรู้สภาวะของจิตที่คิดเหมือนการฝึกสมาธิหรือไม่ครับไม่เหมือนหรอกเพราะว่า ไม่การดูจิตนี่จะไม่ทําให้จิตแนงสงบได้ต้องดูอย่างอื่นดูลมดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการดูจิตนี้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าเราไม่อยากจะทุกกับมันการนอนภาวนาพุทโธจนหลับไปแต่มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดได้อะไรไหมครับ พูดโทรไปตด ล, ดลมีสติอยู่จนหลับไปครับอาจารย์หลับไปก็ไม่ได้ก็ได้หลับนะเนี่ยอันนี้ก็มีสองอย่าง ถ, ถ้าได้สมาธิก็ไม่หลับถ้าหลับไปก็ไม่ได้สมาธินั่งขัดสมาธิไม่ได้ครับมีเข่าเสื่อมนั่งเก้าอี้หรือนั่งธรรมดาได้ไหมครับได้ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องกรรมตัดรอนครับและจริงไหมครับที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราไม่ได้สร้างบุญเพิ่มทําให้บาปเก่าได้ช่องส่งผลครับก็บาปแต่และอย่างมันอาจจะเหมือนเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อถึงเวลามันจะส่งผลมันก็ส่งผลขึ้นมาเราก็ไปกําหนดไม่ได้ว่าบาปตัวไหนมันจะมาปรากฏขึ้นมาในเวลาใดเราก็ต้องเตรียมตรงเตรีมใจทําใจท่านเอง เวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็คิดว่าเอาไปมิบากคำของเราไปอย่าไปทุกข์กับมันยอมรับสภาพไปแล้วใจเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดมรณานุสติต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ให้เราเตือนใจอยู่เรื่องร่างกายของเรานี้มันจะต้องตายวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้ให้เตรียมตัวตายไว้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์เวลาเกิดเหตุการณ์ คำว่าการหมายถึงอะไรบ้างครับการมราคะการมาตัญห า, า, า, าทุกอย่างที่เราอยากเป็นการหรือไม่ครับคําว่าการนี่มันจากคาว่าการมงคลห้าประการด้วยกันกามงคลห้าก ค, คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เราจะลดอัตราตัวตนอย่างไรดีครับถือดีตลอดเลยครับ ว่าทําตัวเราให้เป็นคนรับใช้างคิดว่าเราเป็นคนรับใช้รู้มืนกันถูกหัวหน้างานตําหนิในสิ่งที่เราไม่ได้ทําครับรู้สึกทุกใจครับข้องใจครับจะต้องทําอย่างไรดีครับไปอธิบายให้เขาฟังได้ก็อธิบายไปถ้าไม่ได้ก็ต้องทาใจเฉยๆไป จะยังมีพระเทพแบบพระอาจารย์หีือไม่ครับพระอาจารย์ได้สร้างลูกศิษย์หรือวัดสาขาบ้างไหมครับจะตามไปทําบุญครับไม่ได้สร้างเลยเอาแต่คนอย่างเดียวตอนแต่คนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างวัดไมแต่วันเดียวนียถ้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูท่านก็สอนอย่างเดียวสอนวัฏฐานสี่รอบตอนบายก็สอนให้ศรัทธาญาติโยมตอนเช้าก็สอนให้ภิกษุภิกษุณีตอนเด็กก็สอนเทวดา อชาชาก่อนจะแสดงออกเป็นธรมรมก็เลยงยานด้วยว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษคนที่อาจจะพร้อมที่จะบรรลุธรรมะจะต้องถึงกันเนื่องจากความตายไปในระยะเวลาหันใกล้ท่านก็อย่าสมไโปวดคนนั้นก่อนนั่งสมาธิทีไหรหาวตลอดทุกครั้งครับเป็นเพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะเรากินอาหารมากไป เนื่องจากสติเราไม่ค่อยมีนื่อนะาถ้านั่งหาวก็ อ, อย่าเพ่งนั่งให้ลุกขึ้นมาเดินแทนเดินสมาธิแทนอันนี้นั่งสมาธิก็เดินสมาธิแทนฝึดนอนตายดีไหมครับจะทำํำงา น, นถึ ง, งี้ฝึกฝึนนอนตายไม่เข้าใจก็ไวเอาลงมาป่ะ <laughs> ที่ลงมาแล้วใส่ไว้ในป่ะอันนี้ก็เข้าไปนอนในรอง โลกสมัยนี้เป็นทันสมัยเนี้ยติดอร์ให้ด้วยอ๋อคปีชงมีจริงไหมครับอาจารย์ไม่ทราบไป็นยังไงแา่บวช้าไม่เคยศึกษาไม่เคยสนใจมิแต่กรรมนั้นที่เป็นตัวที่เป็นตัวที่มีผลกระทบกับชีวิตของเรานอกนั้นไม่มีอะไรที่มาเป็นผลกระทบกับจิตใจของเราได้พระ ท่านต้องการกระป๋องเก็บความร้อนให้ตามแบบของของเดิมญาติโยมได้ร่วมซื้อให้ท่านแล้วแต่ท่านก็บอกว่าอยากได้ให้เล็กกว่านี้เพราะใหญ่ไปให้ญาติโยมซื้อถวายใหม่โยมก็มีความขัดแย้งในใจทําไมท่านไม่พอใจของที่ถวายครับก็ท่านยังมีกิเลสอยู่ไงไม่ไม่ยินดีไม่มีความสันโดษยินดีตามมีตามเกินยังมีกิเลสมีความอยากอยากได้สิ่งนั้นได้อยากได้สิ่งนี้ พอไม่ได้แังใจอยากก็ต้องต้องเอาให้เอาให้ได้ใหม่นี่คือเรื่องของกิเลสเรื่องของความโลภความอยากพระที่เราดูเราดูแลโทรมาให้เราไปรับต่างจังหวัดพอดีเราติดธุระไม่ได้ไปรับอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับไม่บาปอาจจะไม่ได้บุญถ้าไปได้ก็ถ้าไปรับก็เราก็าจะได้บุญจากการไปรับใช้ทู้ แต่ถ้าเราไปไม่ได้เราก็จะไม่ได้บุญยังไม่ได้บาปอ่ไม่ไม่บาปแต่ก็ไม่ได้บุญหากเราอยากทานขนมปังร้านนี้แต่อดใจไว้ไม่ยอมไม่ซื้อวิธีนี้เป็นการฝึกลักกิเลสหรือไม่ครับก็เวลาที่เราอยากได้แล้ ว, ลว เ, รเราไม่ทำตามความอยากก็ถือเป็นการลักกิเลส คุณวรธินบอกว่าเวลาฟังพระอาจารย์จิตสงบสบายครับให้พี่เงินพี่น้องซื้อบ้านให้แม่ให้พี่น้องอยู่จนตัวเองลำบากเพราะขัดแม่ไม่ได้เท่ากับเราไม่ได้บุญใช่ไหมครับคือเราได้บุญเพียงแต่ว่าเราเราเราเราอะไรนะ เราลำบากเพราะว่าเราไม่มีที่อยู่อาศัยมันคนละเรื่องกันเนีคนที่ปฏิบัติภาวนามานานแต่เป็นโรคทางจิตปตระสาทอย่างนี้มาจากกรรมเก่าไหมครับก็มีส่วนเราจะทำอย่างไรให้รู้สึกตัวตลอดเวลาครับนวําพูดเธรไปทั้งวันเนี โยมนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่ช่วงโควิดปัจจุบันนั่งมีความโล่งเบาสบายนิ่งสงบพอสงบแล้วจะเป็นสงบละเอียดพอสงบละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนจะสุกสงบล้นมาจากข้างในแล้วสงบสุกละเอียดลงเรื่อยๆพอเราไปรู้สึกถึงอารมณ์ทุกอย่างกลายเป็นเฉยๆขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะพระอาจารย์ที่เคยสอนบอกให้นั่งตามคลิปห้ามโยมนั่งเองครับก็ถูกต้องเนี่ยในที่สุดเราต้องการให้จิตนิ่งเฉย ไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเบขาผลสุดท้ายที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิเราช่วยเหลือเขาแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากเรากลับปิดบังผู้อื่นทำให้คนเข้าใจผิดอย่างนี้เราต้องทำอย่างไรครับไม่เกี่ยวกับเราเนี้ยเขาจะไปปิดบงังเรื่องของเขาเราก็เราช่ยวยเหลือเขา ถ้าเราอยากจะช่วยเหมือนบแบบเป็นบุญแล้วก็อย่าไปหวางผลตับแทนจากเขาเขาจะไปปิดบังนี้ไม่ปิดบังนี้เป็นเรื่องของเขาดูดฝุ่นเอ า, มาแมลงออกจากบ้านถ้าเขาตายอย่างนี้บาปไหมครับบาปการปฏิบัติธรรมคือการต่อต้านความสุขทางกายใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกนีนการต่อต้านกิเลส ที่อยากจะไปหาความสุขทางกายขณะนั่งสมาธิรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาวะที่จิตรับรู้ได้บางส่วนแข็งบางส่วนเป็นช่องว่างบางส่วนเป็นธาตุลมบางส่วนเป็นธาตุน้ําแล้วโยมควรเดินปัญญาอย่างไรต่อครับเดินก็ให้มันจดจําไม่ในใจไม่ให้หนุนไม่ให้เลื่นเพราะนั่งการนี้เป็นเพียงแต่ธาตุสี่นิ้นน้ำลมไฟ ถ้าดูสิว่าใจเรายัางยึดยังติดกับมันอยู่หรือเปล่าเป้าหมายก็คือเราต้องไม่ยึดไม่ติดต้องพร้อมที่ให้ร่างกายแตกดําพร้อมที่ให้ร่างกายให้ทา่าทั้งสี่ที่มันรวมกันในร่างกายนี้แยกออกจากกันไปนั่งสมาธิต่างจากวิปัสสนาอย่างไรครับนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบวิปัสสนาเป็นการศึกษาธรรมชาติของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นร่างกายของเรา ว่ามันเป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรานั่งภาวนาพยายามรู้สึกตัวแต่ถ้ายังไม่เป็นสมาธิเราจะได้บุญเหมือนการภาวนาด้วยไหมครับการภาวนาคือการนั่งยายามสมาธิถ้ายังไม่ได้ความสงบก็ยังไม่ได้บุญ คำสาปแช่งมีจริงไหมครับแก้ไขได้ไหมครับขอคาแนะนําครับไม่คาสาปแช่งนี้ไม่มีจริงหรอกใครจะสาปจะแช่งยังไงมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาถึงที่จะมาทําให้เราเกิดผลขึ้นมาก็คือบุญหรือบาป ท, ที่เราทำํำนะถ้าเราทํากรรมคนหนึ่ง แต่ผลกรรมจะรับกรรมกันต่อกันสองคนหรือกรรมจะตกทอดถึงลูกหลานของเราด้วยไหมเช่นเราขโมยเงินในเอซึ่งไม่รู้จักกันเลยในเอทุกร้อนมากแค้นฝังใจเราหนีหายไปไกลเป็นดุลปีเราจะรับกรรมจากไหนครับอยา่างในใจเราไงเราก็ยกังหาวาดกลัววิตกกัวงวลกับวิบากที่เขาจะมาม า, ม า, ม, า, ม, ามาล้างแค้นเราอยู่ผลของวิของผลของกรรมนี่มันอยู่ในใจเรา คล้ายๆกันเลยครับคำสาปแช่งของปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วแต่คนอยู่ชอบพูดว่าจะเป็นจริงตามนั้นมันจริงไหมครับก็สังเกตุเ้ ย, เยจะเป็นจริงไหมแบบการบริจาคร่างกายครับพระอาจารย์เมื่อตายไปแล้วเราได้กุศลแบบใดครับไม่ได้เลยตอนบริจาคตอนที่ยังอยู่จนตอนนอี้ใครอยากจะได้หัวใจฟ้าก็เอะไรเใครอยากจะได้ปอดเอาไปเลย อย่เงี้ยจะได้บุญเยอะเพราะเราเราเราู้สึกตัวเรารู้สึกว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปแล้วเเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ตอนที่เราตายไปแล้วนี่เราจะไม่รู้เรื่องของร่างกายต่อไปขณะที่นั่งสมาธิหายใจเบามากและตื้นรู้สึกแน่นครับพระอาจารย์ต้องทําอย่างไรครับให้รุ่ยเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรให้สั่งแต่ว่าู้ไป ขณะที่ฟังธรรมควรวางใจอย่างไรครับสามารถบริกา ร, รพุโทโธไปด้วยได้หรือไม่ครับไม่ควรจะทําอะไรนอกจากฟังอย่างเดียวฟังเสียงธรรมที่เข้ามาที่หูวางใจก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นๆ น, น, นี้ให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เข้ามาบวชชีพราหมณ์กับถือศีลอุโบสถอันไหนได้บุญมากกว่ากันครับ ท่กัชีพาราก็สแปีน 8, สดก็แปเหมือ น, น, นกันการทำคุณใสให้ผู้อื่นได้รับทุกข์หรือเจ็บป่วยมีจริงหรือไม่ครับอันนี้ไม่สราบ ม, มัน ม, มีไม่มีในพระพุทธศาสนา เวลานั่งปฏิบัติแล้วเกิดเวทนารู้สึกปวดที่ขามากๆควรวางใจอย่างไรพยายามดึงสติกลับมาที่พุทโธแต่ไม่อยู่กลับไปรู้สึกปวดมากๆอีกเราควรเพ่งดูที่ความปวดนั้นหรือต้องทําอย่างไรครับทาเพง่งได้ก็เพ่งดูไปว่าสาคัญคือดูแลอย่าไปทุกข์กับมันดูแล้วปล่อยวางถ้าดูไม่ได้ก็ต้องอาศัยพุทโธถ้าพุทโธไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ก็ต้องหยุดการภาวนาไปก่อน แสดว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอที่จะสู้กับเวทนาได้ความบังเอิญมีไหมครับพระอาจารย์ก็ลองเขาพูดเอยู่นี่บงับงเอิญบังเอญเจอกันตรงนี้ <c oughs> มันว่ามีแล้วไม่มีมันอยู่ที่ว่ามันเป็นโมหันมากกว่าบางคนบอไม่มีอะไรที่เป็นบังเอิญก็หมายถึงว่าทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยคุณหมอมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะมีเหตุมีปัจจัยท้ายคุณหมอมาอยู่ตรงนี้ เราก็มีเห็นมีปัจจัยที่ทำให้นํามาอยู่ตรงนี้ก็เลยมาเจอกันจะเรียกว่าบาังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้อาจจะไม่บังเอิญเพราะเราดัดกันนรงหน้าไว้ก่อนก็ได้ครับก็ <laughs> ท่า น, นั้นแหละมันไม่เป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องไปสนใจเลยเรื่อว่ากลับมาทํางานแถวบ้านได้เงินน้อยแต่มีความสุขที่ได้ดูแลแม่ที่ชรามากแต่พี่น้องดูถูกเราว่าไม่รวยแบบนี้ผมได้บุญไหมครับ ได้ได้เล่ดูแลมากให้ได้บุญมากด้วยถ้าเรารวยบุญเดียกับคนนี้ก็ไม่เล่นดูแลมาคเขาว่าจะรวยเหมือนเราชอบฟังธรรมะครับใส่บาตรไม่คิดร้ายไม่เอาคืนใจดีมากใครทําร้ายเราให้อภยัยหมดแบบนี้ดีไหมครับแต่ว่ามีคนมองว่าเราอ่อนแอครับดีเพราะจะทําให้ใจเรามีความสุข สุกทั้งตื่นสุกทั้งหลับแล้วเราจะไม่มีใครมาทําร้ายเราคนนี้คืออ น, นิสงค์ของการของการมีความเมตตาตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองรักษาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษเป็นต้นนี่คืออ น, นิสงค์ของผู้ที่มีความเมตตา การใส่บาตรถ้าเลือกไม่ใส่พระบางรูปที่ไม่สัมดวงเป็นสิ่งที่ผิดไหมครับไม่ผิดนะแต่เราไม่ชี้แจเลือกใส่ให้แก่ใครก็ได้มีคนบอกว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อลดละกรรมให้บรรพบรุษอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับลดละกรรมของเราได้แต่ไม่ได้ให้บรรพบรุษไม่ได้ให้ใครเราปฏิบัติสมาธิเพื่อตัวเราเองเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพู้ ตอนนี้นั่งสมาธินิ่งตอนนั่งสมาธิมันนิ่งๆเหมือนไม่มีตัวตนคืออะไรครับเพื่อมันหยุดชิ้นตัวตนนั้นหนายไปโบสถ์เก่าครับอายุเกือบสองร้อยปีจะมีเทวดาดูแลสถานที่ไหมครับก็ต้องลองไปถามเขาดูเลย บริเวณบ้านโยมทำมํำไม้ต้นโพงงอกทีละสองสามต้นอยู่เรื่อยๆโยมชอบทําบุญมากเจ้าขาถือสินกินเจครับให้เกี่ยวกันมันไม้มันจะงอกที่ไหนเมื่อไหร่ท่ามันม้นมีเหตุมีปัจจัยมันก็งอกขึ้นมาได้ถ้าเราบริจาคเงินแล้วพอดีเราไม่มีเงินเราขอยืมเงินเพื่อนก่อนผ่านไปสองปีเราเพิ่งนึกได้ว่าเรายืมเงินมาทําบุญ แล้วเราคืนเงินที่บริจาคให้เพื่อนไปจะยังได้บุญนั้นอยู่ไหมถ้าเพื่อนลืมแล้วก็รับรั บ, รบเงินคืนเราครับ อ, อถ้าเราให้เงินเขาตอนนั้นเราก็จะได้บุญเราจะมีความสุขสุขใจแต่ท่านตอนที่เรายืมเงินเขาทำนี่เราจะไม่มีความสุขสุขใจเพราะไม่ใช่เป็นเงินของเราขณะที่กําลังจะหมดลมควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จากไปอย่างสงบครับ ก็ให้มีสติอยู่กับเราหมาย ใ, ใจนั่นแหละในทีถ้าทําได้เราไปลักขโมยของเขาแล้วเราโดนจับไปติดคุกเพื่อชดใช้กรรมแบบนี้เราหมดกรรมไหมครับกรรมไม่หมดอนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ส่งผลกรรมต้องรอตอนจากที่เราตายไปแล้วแล้วพบหน้าชาตินะแล้วมาเกิดเราอาจจะถูกคนไหนเข้ามาลักขโมยเงินของเราไปแทน การปล่อยชีวิตสัตว์ช่วยส่งผลทางด้านไหนครับก็ทำให้เราจะมีเวลาที่เราอาจจะตายก็อาจจะมีคนมาช่วยเอาชีวิตเราก็ได้คนไม่สบายมากๆทำไมเพอ้อเรียกชื่อคนที่ตายไปแล้วบอกว่ามีคนมาหาครับไม่มีสติขาสติเป็นคนเครื่งหลับครื่งตื่นนี้ ถวายสังฆทานให้แมวที่จากไปแมวจะได้รับหรือไม่ครับถวายผ้าไตาครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่รับนอนรับอยู่เขาก็จะรับได้รับถ้าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่นอนรับเขาก็จะไม่ได้รับชอบใส่เสื้อผ้าสีดําไปทํางานเพื่อนบอกว่าห้ามใส่เสื้อผ้าสีดําเพราะว่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ท้าทำให้ดวงไม่ดีแช่งตัวเองแต่เราคิดว่าจะใส่เสื้อสีขาวหรือสีดำถ้าจะตายก็ตายอยู่ดีอย่างนี้เราคิดถูกไหมครับดวงมันไม่เกี่ยวกับสีคนจะเป็นจะตายจะเจริญก็จะจะเสื่อมไม่ได้อยู่ที่สีมันอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ทำงานที่ชอบพูดเชิงลบ กับเพื่อนร่วมงานค น, นอื่นจนรู้สึกอึดอัดครับเราควรจะทำอย่างไรครับเมื่อเรายังต้องเข้าสังคมครับก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไปต่อต้านเขาอยอมนับกับสภาพว่าเขาเป็นอย่างนี้เมื่อเราจะต้องอยู่กับเขาเราก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วเราจะไม่รู้สึกอึดอัดรจรู้สึกเฉยเตอนแม่ติดเตียงแม่ไปอยู่ศูนย์ดูแล แต่เราไปหาแม่ทุกอาทิตย์และจ่ายค่าดูแลค่อนข้างสูงเพราะอยากให้แม่อยู่สบายเราต้องทํางานไม่ได้คิดไม่ได้ดูแลแม่อย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเราได้บุญเพราะเราจ่ายค่าดูแลให้กับคุณแม่การลดความอยากคือการเอาชนะกิเลสใช่ไหมครับใช่เวลาสวดมน์มีขนลุกมากๆอันนั้นคือปิติใช่ไหมครับ ใช่มีความทุกข์ครับจะต้องทําอย่างไรดีครับก็ดับมันเลยดับด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็กะจะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเป็นอะไรจะเกิดจากอะไรน้องกจัดเห็นที่ทำให้ใจเราทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหายไปหมด เวลาแผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วท่านจะได้รับบุญไหมครับแล้วแต่ว่าท่านเรารับอยู่หรือเปล่าใส่บาตรทุกเช้าโดยใส่ปัจจัยขนมน้ำอาหารแห้งบาตรไหมครับพอหลวงตาที่มาบิถิบาตวัดไกลต้องใช้น้ำมันครับไม่บาตรครับถ้าพ่อเราเคยไปทำกรรมกับคนอื่นให้เขาเจ็บแขนใจครับ แล้วเขาสาบแช่งทั้งครอบครัวอย่างนี้เรารับผลกรรมไหมครับไม่หรออยู่ที่คนทำคนเดียวนที่จะต้องรับผลกรรมครับเปิดเทปทาวัดเช้าเย็นฟังเทปธรรมะนั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญไหมครับถ้าใจสงบก็ได้บุญถ้าเราจะฝึกนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านเองอย่างนี้ทำได้ไหมครับได้ วันนี้พระอาจารย์ตอบคาถามได้หมดเลยครับ อ, อาจารย์หมดเลยอย่างนี้อ่างนของนาทีนยผลสมาบัตหมายถึงอะไรครับมาผลผลสมาบัติก็คือผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบก็มีความสงบเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสูงสุดเรียกขั้นสมาบัตคือจิตสงบตเต็มร้อย พระสงฆ์สามารถที่จะกลับมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องได้ไหมครับไม่ควรพระคุณจะอยู่ที่วัด น, นอกจากในกรณีฉุกเฉินที่อยู่ไม่ได้แต่ก็ควรจะเป็นแค่ครั้งเดียวคืนเดียวอะไรเป็นต้น ไ, นไม่ใช่อยู่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นประจำไหมนั่งสมาธิแล้วมีปิติทาอย่างไรต่อไปครับ ก็ด้านต่อไปถ้าดูรวมก็ดูรวมต่อไปยังใจยังไม่สงบเต็มที่ขั้นปิตินี้ยังยังไม่สงบเต็มที่ต้องเข้าไปสู่สภาพขัน้นอุเบกขาถึงนนี้ทังี้ถึ ง, ง, ถงขั้นสงบที่เต็มที่อยากจะฉันแบบพระครับทําอย่างไรให้ไม่หิวครับความเหงื่อมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะ ความหิวนี้อยู่ที่ใจเราไปคิดถึงอาหารมันก็เลยทำให้เราเหิวขึ้นมาวิธีนี้จะทำให้ใจเราไม่หิวก็วคือเวลาคิดถึงอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในท้องคิดอยู่ในลาไส้อย่าคิดถึงอาหารที่มันถ่ายออกมาจากร่างกายเรากุญแจของความสำเร็จในการภาวนาคือความต่อนเนื่องใช่ไหมครับก็หลายหลายอย่างเหมือนกันวันนี มันมีสี่ห้าอย่างคือต้องมีสติมีสมาธิมีความความเพียรมีปัญญาคุณหนุ่มน้อยเขาถามอย่างนี้ครับอาจารย์ผมคุย facebook กับเพื่อนแต่ไม่ต้องบอกเพื่อนชื่อคุณยายถามว่าโกหกไหมครับถ้าเราไม่ได้พูดก็ไม่ไม่โกหกถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อคุณยายมาเป็นคุณ ย, า ย, ย่าอันนี้นะทนาเรา ก, ก็ ระหว่างที่ยังต้องทำงานอยู่ได้แต่นั่งสมาธิแต่ยังไม่มากพอคิดว่าถ้ายังปฏิบัติเท่านี้อยู่คงไม่สามารถหลุดพ้นได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องต้องปฏิบัติให้มากขึ้นจนกว่ารเราจะได้สมาธิเต็มร้อยเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วเรารู้ตัวเราชัดขึ้นและรู้สึกโล่งโปรง่งแต่วันถัดมาไม่โล่งโปรง่ปรงเท่าเดิมเกิดจากอะไรครับ เพราะว่าผลที่ได้จากสมาธิมันหมดไปแล้วเราก็ต้องนั่งใหม่ทำใหม่เหมือนกินอาหารกินอาหารเสร็จแล้วมันก็อิ่มไปทั้ระยะหนึ่งหลังจากนั้นอาการอิ่มก็จะหายไปมันก็รอิวขึ้นมาใหม่มก็ต้องกินใหม่ผมสงสัยตอนที่พระอาจารย์อยู่บ้านตาดพระอาจารย์ไม่ เคยสนทนากับหลวงตาเลยแต่พอพระอาจารย์อยู่วัดยานทําไมหลวงตามาเยี่ยมพระอาจารย์บ่อยมากเลยครับถ้าอยากจะเมตตาก็ได้แต่ถ้าอยากจะมาตรวจคุณภาพของของชื่อของวัดป่ามันต่างว่าธรรมธรรมให้เสียชื่อเสียงหรือเปล่ปาก็ได้เราเป็นเหมือนกผ่นชายเราไปซื้อแผ่นชายของไม็กซ์โนแองมาเขาว่าเรามาคอยตรวจดูคุณภาพของเราว่าเราทําตามที่เขากำหนดไว้หรือเปล่า ถ้าทำไม้ถูกเขาเขาอาจจะขอคืนแฟรนชายก็ได้คุณคุณแม่ปเป็นอาวไซเมอร์ครับชอบคิดว่าลูกเอาสมบัติไปควรช่วยเหลืออย่างไรครับไม่ต้องช่วยเหลืออะไรก็ปล่อยท่านคิดไปแล้วก็เพียงจะบอกว่าไม่ได้เอาไปยังอยู่ทุกอย่าง ปฏิบัติธรรมสวดมนต์มาสักระยะรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่แม่นขึ้นครับเกี่ยวข้องกันไหมครับตอนนี้ไม่ทราบนะอาจจะเป็นเป็นความสามารถพิเศษของของคนบางคนก็ได้ถ้าเราปฏิบัติชาตินี้แล้วยังไม่หลุดพ้นชาติหน้าเราจะมีโอกาสเกิดเป็นคนเลวไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเร า, เราทําบุญไหอทํำบาปไหม ถ้าเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาปโ อ, อกาสที่จะไปทําเป็นปคนเดียวก็จะก็จะยากเพราะบุญการทำความดีของเรามันจะมีกําลังมากกว่ามันก็จะผลกันให้เราไปเป็นคนดีพระสงฆ์ขับรถยนต์ได้ไหมครับมันไม่ในสมัยพุทธกาลไม่มีเนียศสองอยิบเจ็ดมันมันมีแค่ศึงสองอยิบเจ็ด ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้มาจจะถึงสองพันข้อแล้วก็ได้นั่งภาวนาแล้วสวดมนต์ทุกคืนแต่ไม่ได้กรวดน้ำอย่างนี้ได้บุญไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกันได้บุญการกรวดน้าไม่ได้เกี่ยวกันบุญกิจากการนั่งสมาธิก็จากการทำใจให้นิ่งให้สงบคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติถ้าเราทําบุญทําทานแผ่ส่วนบุญไปนั่งสมาธิไปเราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากเราได้ไหมครับเมืเ่อไหร่ไม่รู้เลยว่าเขาเขามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าเราต้องรู้รตัวเขาก่อนว่าเป็นใครเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ไปเจรจ า, าไปพูดคุยกับเขาดูว่าคุณต้องการอะไรถ้าเราสามารถตอบแทนในสิ่งที่เขาต้องการได้เขาอาจจะไม่มาจองเวรจองกรรมเราก็ได้ โอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้ในเฟซมีคนชมอยู่ 6, 6, 68, 35, 7, หกร้อยหกสิบแปดในยูหกร้อยสาสิบห้าในครับฮาเจ็ดในติกต๊อห้าร้อยหกสิบสามครับรวมหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามคนนะครับอ่านคบถามแรกยี่สิบนาฬิกาเก้านาทีพราจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคำถามนะครับโอ้เยอะขนาดนั้นนะนนี่ครั<อ>บก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ กความสาุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ขึ้นไปเทอิน<า>ขอลาตัว<า>ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงด่านนี้แล้วถ้ามีไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ